อาทีนี้นะเลยมาหาเรื่องไตรสรณะคมอีกว่าอีกอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าชื่อว่าเป็นสรณะเพราะกำจัดภัยของศัตว์ทั้งหลายให้หันเข้าหาประโยชน์และให้หันเหออกจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลคนที่ที่สูญเสียประโยชน์มากที่สุดนะในในชีวิตเนี่ยมีใครสูญเสียเท่ากับ น, นางปตาจาราบมางในนี้ไม่มีเนอะนางปต aja าเาานี่ครั้งแรกสูญเสียสามีก่อนครั้งที่สองสูญเสียลูก ทั้งสองคนเลยครั้งที่สามสูญเสียพ่อแม่พี่ชายก็บอกว่าพ่อแม่พี่ชายเนี่ยเผาในเชิงตะกอเดียวกันนะพอได้ข่าวกันนั้นบ้าเลยคือมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะจะกลับไปพึ่งพ่อพึ่งแม่พ่อแม่ดันตายนี้จากนะเล่าข่าวแค่ น, นี้ว่าศูนย์แปลว่าเสียหายมากเพราะนั้นเขาบอกว่าพอฟังข่าวว่าพ่อแม่ตายเท่านั้นแหละโอ้โหผ้าหลุดเลยปะเนี่ยแปลว่าตก จารานี่แปลว่าอาจาระหรือความประพฤติหรือมารยาทมารยาทเนี่ยตกเลยคือวิปราชเลยนะเสียใจมากกบท้าหลุดไม่รู้ตั ว, วก็ร้องให้ไปนะร้องให้ว่าสามีก็ตายลูกก็ตายพ่อแม่พี่ชายก็เผาเชิงตะกอเดียวกันร้องให้ไปทีนี้ตอนหลังก็ไปเจอพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์ก็ทรงแสดงธรรมให้ฟังว่า คือตอนแรกก็ราบอกเธอจงมีสติมาเถิดน้องหญิงก็หายบ้าหลังจากหายบ้าแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงให้ทำว่ า, าแสดงทําให้ฟังว่าบัณฑิตเพิ่งทราบเนื้อความว่าบุตรทั้งหลายย่อมไม่มีเพื่อต้านทานบิดาและพวกพ้องทั้งหลายก็ไม่มีเพื่อต้านทานเมื่อบุคคลถูกความตายครอบงำแล้วความต้านทานในญาติทั้งหลายย่อมไม่มีดังนี้แล้วนะคือให้รู้ว่าชีวิตของเราทุกคนเนี่ยไม่มีใครมาต้านทานได้ มีใครมาป้องกันได้ไหมไม่ให้ชรามีใครป้องกันได้ไหมไม่ให้จุติจุติจิตไม่ให้เกิดเลยเนี่ยเป็นไปได้ไหมโอ้จุติจิตมันเกิดด้วยปัจจัยใช่ไหมจิตทั้งหลายเกิดด้วยปัจจัยถามว่าห้ามอะไรได้สักอย่างไหมเอาถ้าพูดหนึ่งในหนึ่งนะห้ามศีสันไม่ให้เปลี่ยนสีได้ไหมผมเนี่ยไม่ให้เปลี่ยนสีได้ไหมผิวหนังไม่ให้เปลี่ยนสีได้ไหมไม่ได้เล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกทั้งหลายแหละเนี่ยไม่ให้เปลี่ยนแปลงได้ไหมไม่มีใครไปห้ามได้ ห้ามไม่ให้จุติได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้สํารวมในศีลนะให้สํารวมในศีลเพราะว่าสาระจริงๆก็เริ่มมีตั้งแต่ศีลเมื่อกายเหล่านี้ทั้งที่เป็นนามกายและที่เป็นรู ป, ปกายสิ่งเหล่านี้ไม่มีสาระเลยเพะะน้นพึงสํารวมในศีลชำระทางเป็นที่ไปนิพพานคำว่าทางนั้นหมายถึง อริยมรกนะบาลีเนี่ยแปลว่ามรตไทยแปลว่าทางชําระทางที่ไปพระนิพพานให้หมดจดพลันทีเดียวอันจะต้องรีบเจริญกุศลธรรมเหล่านี้ฉะนั้นการเจริญกุศลธรรมเหล่านี้การเห็นคุณค่าของกุศลธรรมเหล่านี้ต้องรีบปฏิบัติเหมือนบุคคลที่ถูกไฟไหม้บนศีรษะใช่ไหมนะเมื่อกี้เนี่ยเราก่าวสารวจดูแล้วว่ากายของเราทั้งหมดเลยเนี่ยนะ ทั้งกายทั้งโพธพารมกายวิญญาณทั้งหมดส่วนใหญ่เหล่านี้เป็นทุกขสัตว์เมื่อเป็นทุกขสัตว์นี้จะต้องอบรมปริญญาสามอย่างเดียวแล้วปริญญาสามนั้นจะต้องมีศีลเป็นต้นเป็นเบื้องต้นนั้นตัวศีลเป็นต้นกับตัวปริญญาเท่านั้นแหละหรือสติปัฏฐานเท่านั้นหรือว่าสัมปชัญญะเท่านั้นแหละเป็นหนทางเพื่อความพ้นทุกข์ทางอื่นมันไม่มีเพราะฉะนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้ากล่าว ความจริงเหล่านี้ทั้งหมดถามว่าสอนไว้แค่เนี้ยเลยพระองค์เนี่ยสอนว่าความจริงเหล่านี้ควรรอบรู้ควรรู้รอบฟังอันแล้วก็ความจริงเมื่อรู้รอบอย่างนี้แล้วก็จะเผาความยึดถือให้เหือดแห้งไปเมื่อรู้ความจริงของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วความยึดถือก็ไม่มีเมื่อความยึดถือไม่มีนั่นแหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์แต่ก็ต้องรอบรู้ในเรื่องนั้นๆจริงๆแหะ อันพระ อ, องค์เนี่ยสามารถให้เราหันออกจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ใช่ไหมคือชีวิตของเราก็มีกาอยู่แล้วแล้วเราก็หมกมุ่นในสิ่งเหล่านี้ด้วยอํานาจบาปอกุศลด้วยอํานาจของโลภะเป็นต้นเราไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันให้ประโยชน์แค่ไหนจริงๆอันก็หลงไหลติดพันแต่ถ้าหากว่าศึกษาคําสอนปุ๊บพระองค์เนี่ยจะให้หันเหจากสิ่งที่ไม่มีประโยชน์สาพระ อ, องค์แนะประโยชน์ให้เลยทั้งประโยชน์ในในโลกนี้ประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะ ตรงนี้เราเน้นประโยชน์อย่างยิ่งซึ่งถ้าหากว่าประโยชน์โดยทั่วไปก็เราก็ประจักษ์กันอยู่แล้วก็นเน้นประโยชน์อย่างยิ่งคือการรู้อริยสัจซึ่งเมื่อกี้เรากล่าวว่าพระองค์ตรัสรู้อริยสัจเราขอตรัสรู้ตามพระองค์ท่านแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะพระธรรมชื่อว่าเป็นสารณะเพราะกำจัดภัยของสาสตร์ทั้งหลายได้โดยอาการให้ข้ามพ้นกันดานคือพบ พระธรรมนี้จะช่วยให้ก้าวล่วงพ้นพบและทําให้ได้รับความสบายใจนะพระธรรมนี้จะทําให้ข้าวล่วงพ้นพบนั่นจะขอยกข้อความในคัมภีร์คถาธรรมบทมัคควัตวรณน า, นาเรื่องภิกษุห้าร้อยรูปอัะนนะี้พูดถึงทางที่จะทําให้ก้าวล่วงพบะน ะ, ะพระพุทธเจ้านี้เมื่อประทับอยู่ที่พระ เชตวันทรงปาราบภิกษุ500รอรูปตรัตพระธรรมเทศนานี้ว่ามัคคานตถังคิโกเป็นต้นดังได้สดับมาภิกษุเหล่านั้นเมื่อภาษาสดาเสด็จเที่ยวจาริกไปในชนบทแล้วเสด็จมาสู่กรุงสาวัตถีอีกภิกษุเหล่านั้นก็นั่งในโรงเป็นที่บำรุงพูดถึงมักคถ า, าปาราบผลทางที่ตนเที่ยวไปคือเที่ยวไปในถนนหนทางไจาริกไปตั้งหลายเดือนด้วยกันก็พูดถึงทาง ถนนเส้นนั้นเส้นนี้นะเป็นต้นว่าทางแห่งบ้านโน้นจากบ้านโน้นสม่ำเสมอทางแห่งบ้านโน้นจากบ้านโน้นไม่สม่ำเสมอมีกรวดและไม่มีกรวดทางเชียงใหม่ลําพูนหรือทางเชียงใหม่ลําปางกํลาลังก่อสร้างทางเลยเป็นนั้นทางดีอะไรเงี้ยก็ปรารบเรื่องถนนห น, นทางอ่ะนะที่ไหนรถไปคล่องไปไม่คล่องก็ปรัรบกันพระศาสดา ก, ก็ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์ของพิษุเหล่านั้น สเสด็จมายัางที่นั้นแล้วประทับนั่งเนื้ออาสนะที่เขาปูไว้แล้วตรัสถามว่าพิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยกระถาอะไรเล่ากระฐานี้แปลว่าคําพูดพูดเรื่องอะไรอยู่เมื่อพิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าด้วยเรื่องชื่อนี้พระเจ้าค่ะเรื่องไหนก็คือเรื่องถนนนั่นเองตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทางที่พวกเธอพูดถึงนี้เป็นทางภายนอกธรรมดาภิกษุควรทํากรรมในอาริยมรจึงควร ในทางที่ประเสริฐที่เป็นอริยะเนี่ยจึงจะควรด้วยว่าที่สุดเมื่อทําอย่างนั้นย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ใช่ไหมธรรมดาที่สุดไม่เคยทําบาปนี่ไงอดีตชาติพบอดีตอดีตถอยหลังไปแม้แต่แสนโกดกลับให้ก็ยังพาไปจุติได้ถ้าจุติก็พ้นจากราวเดืองก็จุติในนรกเป็นต้นได้ ดูการพิสูจนทั้งหลายอริยะสาวกเยียวยาอัตภาพอยู่ด้วยคําข้าวที่สแสวงหามาด้วยปลีแข่งอันนี้ต้องเป็นภาพิสูจน์นะท่านยกตัวอย่างเอาบริษรัท4ใช่ไหมบริษัทสี่ก็มีพิสูจนพิกษจนิวบาสกบาสิกายกพิกษุขึ้นมาก่อนนะเยียวยาอัตภาพอยู่ด้วยข้าวที่สแสวงหาด้วยปลีแข้งนุ่งห่มแม้ผ้าที่เศร้าหมองเธอประกอบด้วยธรรมะสี่ประการก็จริงถึงอย่างนั้น เธอก็พ้นจากนรกจากกําเนิดสัตวยรชานจากปิติวิสัยและจากอบายทุกคติวินิบาตธรรมะสี่ประการเป็นะไะพระอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวันไไวในพระพุทธเจ้า ว, ว่าแม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุนี้ถ้าผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ปรัสถรู้เองโดยชอบถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณนะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารถี ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ยังไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมะแล้วก็ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นเป็นธรรมะอันผู้ได้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตน แล้วก็ประกอบด้วยความเลื่อมสายอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงปฏิบัติปฏิบัติธรรมก็คือเป็นยายะปฏิปันโนนะปฏิบัติเพื่อรู้อริยธรรมปฏิบัติสมควรคือคู่แห่งบุรุษสี่คู่บุรุษ บ, บุคคล8ปดหนี่เป็นพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ควรของคํานับควรของต้อนรับควรของทําบุญ ควรทาอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าใคร้ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยวินยูชนสารเสริญอันตัญหาและทิฐิไม่ลูปคลำแล้วเป็นไปเพื่อสมาธิคือเป็นไปเพื่ออุปจาระและและอ ป, ปนาสมาธิอริยาสาวกประกอบด้วยธรรมะสี่ประการเหล่านี้ดูก่อนพิสูจทั้งหลาย การได้ทวีปทั้ง4กับการได้ธรรมะสี่ประการการได้ทวีปทั้ง4ี่ย่อมไม่ถึงเซี่ยวที่16ซึ่งการจำแนกออกไปแล้ว16บหนของการได้ธรรมะสประการอันคนที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และมีศีลที่ไม่ขาดไม่ดังไม่พร้อยทะละุไม่ทะลุอันนี้นะเป็นไทยคือตันหาและทิฏฐิไม่ไม่เข้าไปอาศัยมีคุณธรรมสอย่างนี่นะประเสริญยิ่งกว่า แผ่นดินในโลกนี้ทั้งหมดเลยนะไม่เฉพาะชมพูทวีปนะทวีปอื่นๆด้วยก็บอกว่าโสดาปฏิมาคเน่าพาศรัทธาที่ในโสดาปฏิมากรนี้นะพาออกมาสิบหกครั้งแล้วอเอาหนึ่งมามาพาอีกสิบหกครั้งสมบัติในแผ่นดินทั้งหมดนี่ยังไม่ถึงเสี้ยววันนั้นเลยนั่นแหละไม่ถึงเสี้ยวแห่งโซดาปฏิมาคเลยพฉะนั้นผู้ที่ได้โสดาปฏิมาคพบที่แปดไม่มีที่จะมานอนในครันอีกไม่มี และต่อไป อ, อบายภูมิสี่ปิดค <c> า <oughs> ถาปิดอบายเบิกฟ้าก็ <c oughs> คือศรัทธานในพระพุทธเจ้าเป็นต้นนั่นแหละ <c oughs> เพราะฉะนั้นไม่ธรรมดาอีกสูตรหนึ่งน ะ, ะธรรมะเครื่องบรรลุโสดาบันนะนไหนๆก็ศึกษาธรรมะที่เป็นสาารณะเราก็ได้ฟังหลายๆมุม สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเวลุวันกลันทกะนิวาปะสถานกรุงราชครึกสมัยนั้นทีขาวุอุบาศกป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักป่วยเหมือนกันนะบาศ ก, ก็ป่วยก็ได้เชิญครูหาบดีชื่อว่าโชติยะผู้เป็นบิดามาสั่งว่าก็าคือเรียกพ่อมานะ ข้าแต่ค้หาบดีขอท่านจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล้าวและกราบทูลตามคำของผมว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทีคาวุอุบาศกป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักเขาถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล้าวและจงกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงพระกรุณาเสด็จไปยังนิเวศของทีขาวุอุบาศกโชติยะเครหาบดีก็รับคําของทีขาวุอุบาศกและเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมและนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วโชติยะครหาบดีได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทีขาวุอุบาศกป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักเขาถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล้าว เขากราบทูลมาอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงพระกรุณาเสเด็จเข้าไปยังนิเวศของทีคาวุอุบาสกพระผู้มีพระภาคเจ้าก็รับด้วยดุษนียภาพ ค, คือนิ่งก็คือรับนิมนต์ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งแล้วถือบาทและจีวรเสเด็จเข้าไปยังนิเวศของทีคาวุอุบาสก ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้แล้วได้ตรัสถามทีขาวุอุบาศกว่าดูก่อนทีขาวุอุบาศกท่านพออดทนได้หรือพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือทุกวเวทนาทุเราลงไม่กำเริบขึ้นเลหรือความทุเราย่อมปรากฏความกำเริบไม่ปรากฏเลหรืออะก็คือถามเป็นยังไงอาการแห่งเวทนาเป็นยังไงบ้างทีขาวุบุบาศกก็กราบทูลว่าข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญข้าพระ อ, องค์อดทนไม่ได้ เยียวยาอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนาของข้าพระองค์กำเริบหนักไม่ทุเลาลงเลยความกำเริบย่อมปรากฏความทุเลาย่อมไม่ปรากฏโอ้ยมีแต่ปวดขึ้นเรื่อยๆนะทีแรกก็ปวดแค่สิบต่อไปเป็นยี่สิบสามสิมันก็ปวดหนักไปเรื่อย ๆ, ๆอย่างนี้นพระองค์ตรัสว่าดูก่อนทีขาวุเพราะเหตุนั้นแหละท่านพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจะเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า ว่าอิติปิโสพะวาวเป็นต้นเลื่อมสายไม่หวั่นไหวในพระธรรมสวาขาโตเป็นต้นเลื่อมสายไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์และก็จักเป็นผู้ประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าใคร่แล้วกว็ความกละจนถึงเป็นไปเพื่อสมาธิดูก่อนทีคาวุท่านพึงศึกษาอย่างนี้แหละทีคาวุก็กล่าวว่าข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญองค์แห่งธรรมะเป็นเครื่องบรรลุโสดาสีเหล่านี้ ที่พระองค์ทรงแสดงแล้วธรรมะเหล่านั้นมีอยู่ในข้าพระองค์นะผู้ที่มีคุณธรรมสีอย่างนี่เขาเป็นพระโสดาบันและข่าพระองค์ก็เห็นชัดในธรรมะเหล่านั้นข่าพระองค์ประกอบแล้วด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์และประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าใครเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิพระองค์ตรัสต่อไปว่าดูก่อนทีเขาเพราะฉะนั้นแหละท่านตั้งอยู่ในองค์แห่งธรรมะ เครื่องบรรลุโสดาบัรสีเหล่านี้แล้วพึงเจริญธรรมะอันเป็นไปในส่วนแห่งวิ ช, ชาหกประการให้ยิ่งขึ้นไปธรรมะที่เป็นไปแห่งส่วนแห่งวิ ช, ชาก็คือมักเบื้องสูงๆต่อไปอีกหกประการก็คือดูก่อนทีเขาท่านจงพิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงว่าเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราอนิจจาวงันให้มีปัญญาพิจารณารอบรู้ในสังขารทั้งหมดว่าไม่เที่ยง ถ้าใช้คําว่าสังขารเนี่ยไทยนึกถึงแต่คําว่ากายอันเดียวนะนั่งกับพิจตานี่แหละสังขารน่ะหูได้ยินเสียงคําหนึ่งกาสังขารใจนึกคิดกาสังขาร น, นั่นแหละอันคำว่าสังขารก็คือรูปนามขันหานั่นเองมีความสําคัญในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นทุกข์นะให้พิจารณาสิ่งเหล่านี้โดยความไม่เที่ยงอไอ้ไม่เที่ยงตัวนี้แหละคือตัวทุกข์ยะทะนิจังตังทุกขังสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ มีความสำคัญในสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละว่าเป็นอนัตตา น, นะไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาเพราะเป็นไปตามปัจจัยของเขากายนี้มีด้วยปัจจัยคืออะไรปัจจัยของกายคืออะไรบ้างอวิชชาตัณหาอุปาทานเป็นเหมือนแม่ที่คอยอุปธรรมค้ำชู มีกรรมเป็นเหมือนกับพ่อหล่อเลี้ยงให้เกิดขึ้นมีอาหารเป็นเหมือนพี่เลี้ยงนางนมคอยบำรุงบำเรออุปถรรมเอาไว้นั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดด้วยปัจจัยอย่างนี้ขึ้นจากไม่มีแล้วมีขึ้นครั้งแรกเลยเด็กชายสมบัติไม่มีแล้วมามีขึ้นเพราะมีพ่อมีแม่แม่คืออะไรนะเมื่อกี้ตันหาวิชาปาทานสามตัวคือเหมือนแม่ ประตูปานิสยาปัจจัยให้เกิดมีกรรมเป็นนานัขักนีกิกกรรมะปัจจัยให้เกิดแล้วก็มีอาหารเป็นรูปอาหารปัจจัยให้มีขึ้นนี้เอาแบบคร่าวๆนะเอามาสามปัจจัยไว้สามชาติหนึ่งปหนึ่งประตูปานิสยาชาติสองกรรมะนานัขักนน้กกรรมะชาติแล้วก็สามรูปอาหารชาติเอามาปัจจัยสามชาตินะ สรุปแล้วก็คือไอ้แปดชาติที่เหลือก็ไอ้ไม่ใช่6ชาติที่เหลือเท่ากับพูดด้วยนั่นแหละนั่นแหละบางอย่างไม่ต้องพูดมากให้แต่ในก็พอใช่ไหมคนชํานาญทางเนี่ยบางทีก็พูดแต่ในก็พอละนั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านจงมีความสําคัญในการละคือเจริญปัญญาพวกนี้เป็นปหานะเพื่อที่จะละคลายความยึดถือในสิ่งนี้มีความสําคัญในคลายความกําหนัดคลายกําหนัดก็คือวิราคะ ปหาณนวิราคะแล้วก็มีความสำคัญในการดับคือนิโรธะนิโรธะแปลว่าดับปหาณนวิราคะและนิโรธะพวกนี้เป็นชื่อของวิปัสสนาที่เป็นไปในส่วนแห่งวิปัสสนาดูก่อนทีคาวุท่านพึงศึกษาอย่างนี้แหละนี่สอนวิปัสสนาแบบอีกสำนวนหนึ่งคกอการกล่าวถึงวิปัสสนาของพระผู้มีพระภาคเนี่ยหลายสำนวนมาก อาทีขวุ้ก็กล่าวว่าข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญธรรมะอันเป็นไปในส่วนแห่งวิชาหกประการเหล่าใดที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วธรรมะเหล่านั้นมีอยู่ในข้าพระ อ, องค์โอ้แม่จริงๆนะนะมีแล้วพระเจ้าข่างันและข้าพระ อ, องค์ก็เห็นชัดในธรรมะเหล่านั้นข้าพระ อ, องค์พิจารณาเห็นสังขารทั้งกวงว่าเป็นของไม่เที่ยงมีความสําคัญในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นทุกมีความนะําคัญในสิ่งที่เป็นทุกว่าเป็น อนัตตามีความสําคัญในการละมีความสําคัญในการคลายกําหนัดมีความสําคัญในการดับอีกอย่างหนึ่งข้าพระ อ, องค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโชติยะเคหรหบดีนี้อย่าได้ถึงความทุกข์โดยล่วงไปแห่งข้าพระ อ, องค์เลยห่วงพ่อนะเดี๋ยวผมตายแล้วเดี๋ยวพ่อจะเป็นทุกข์อีกเหมือนกันโชติยะเคหรหบดีก็ได้กล่าวว่าพ่อทีขาวุพ่ออย่าได้ใส่ใจถึงเรื่องนี้เลยพ่อทีขาวุ จงใส่ใจพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแก่ท่านให้ดีเถิดไม่ต้องห่วงล้อกครับคั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนทีคาวุอุบาศกด้วยพระโอวาสนี้แล้วเสด็จลุกจากอาสนะแล้วหลีกไปเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปแล้วไม่นานทีคาวุอุบาศกก็ทํากาละจุติแล้วก็ปฏิสันสนธิทันทีนั่นแหละนึกถึงเอถ้าเราจะตายแล้วมีใครไปเตือนสต่อย่างนี้หรือเปล่าเนาะวิบากดีขนาดนั้นหรือเปล่า ครั้งนั้นภิกษุมากรูปก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วเล็กทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทีขาวุบุบาศกที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนด้วยพระโอวาทโดยย่อทํากาละแล้วคติของเขาเป็นอย่างไรอภิสัมปรายภพของเขาเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าตอบว่าไงดีนะ สอนย่อๆนั่นแหละจะไปไหนดีดูก่อนที่สูตทั้งหลายทีฆาวุอุบาสกเป็นบัณฑิตมีปกติผู้จริงปฏิบัติธรรมสมควรแกรร่ทำและไม่ยังตนให้ลำบากเพราะมีธรรมะอันเป็นเหตุทีฆาวุอุบาสกเป็นอุปปาติกะจากปรินิพานในภพที่เกิดนั้นมีอันไม่กลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะสังโยชนเบื้องต่ำห้าสิ้นไป แปลว่าเป็นพระอนาคาเมนั่นแหละโอ้ท่านไปดีแล้วเนาะละอีกสูตรหนึ่งน่าสนใจก็คือทุติยะสารีปุตตสูตรว่าด้วยองค์ธรรมะเครื่องบรรลุโสดาอันเราศึกษาพระธรรมเราขอตรัสรู้ตามพระองค์ใช่ไหมอันเราก็ดูว่าเอ๊ะที่เขาตรัสรู้เขาตรัสรู้อะไรกันครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทรับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งคันแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถามท่านภาษาริบุตรว่าดูก่อนสารีบุตรที่เรียกว่าโสตาปติยังฆะโสตาปติยังฆะดังนี้โสตาปติยังฆะเป็นฉไหนโสตาปติยังฆะนี้แปลว่าองค์แห่งธรรมะเครื่องบรรลุโสดาไอองค์แห่งธรรมะเครื่องบรรลุโสดาเนี่เป็นฉไหนท่านภาษาริบุตรกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโสตาปฏิยังฆะโสตาปฏิยังฆะก็คือสัปปริสังเสวะการคบสัตบุุรหนึ่งสัทธัมมะสวณนาการฟังคำสอนของท่านหนึ่งโยนิโสมณสิการะการกระทาไว้ในใจโดยอุบายที่ชอบหนึ่งธรรมานุธรรมะปฏิปฏิปฏิปฏบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหนึ่ง พระผู้มีพระภาคตัดว่าถูกละถูกละสารีบุตรโสตาปฏิยัง่ะคือสัพปริสสะสังเสริวหน่งสัตธรรมะสวณนะหนึ่งโยนิโสมนสิกาหนึ่งธรรมานุธรรมะปฏิปฏิหนึ่งดูก่อนสารีบุตรขึ้นหัวข้อใหม่ก็ที่เรียกว่าธรรมะเพียงดังกระแสโสตโสตเนี่ยนะธรรมะเพียงดังกระแสโสดาโสตโสตนี่แปลว่ากระแส ดังนี้ก็ธรรมะเพียงดังกระแสเป็นไฉไห น, นไอโซดาโซดาเนี่ยแปลว่ากระแสใช่ไหมไอกระแสเนี่ย เ, เป็นอย่างไฉหนท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกระแสคืออริยมรรคประกอบด้วยองค์8ดนี่แลชื่อว่าธรรมะเพียงดังกระแสก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะ สัมมาสติสัมมาส ม, มาธินี้ชื่อว่าธรรมะเพียงดังกระแสโสตะโสตะเนี่ยโสตแบบกระแสก็ได้แก่ถามว่ากระแสกระแสน้ําไหลลงสู่ทะเลสิกระแสน้ําก็ไหลลงสู่ทะเลสิกระแสอริยมรรคเนี่ยมันไหลสู่อะไรไหลสู่นิพพาน น, นนะพระองค์ตรัสว่าถูกละถูกละสาริบุตรถูกแล้วนี่แปลว่าสาธุสาธุ อริยมรรคประกอบด้วยองค์8นี่แลคือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นจนถึงสัมมาสมาธิชื่อว่าธรรมะเพียงดังกระแสดูก่อนสารีบุตรที่เรียกว่าโสดาบันโสดาบันเนี่ยเป็นไนอ่ะโสดาบันนี่เป็นยังไงโสตานี้แปลว่ากระแสโซตาปันณะนี่แปลว่าอะไรหมายคำว่าไงภาษาริบุตรก็ข่าแต่พระองค์ผู้เจริญผู้ใดประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8ดนี้ ผู้นี้เรียกว่าพระโสดาบันผู้ที่มีอารยมรรคมีองค์แปดประชุมพร้อมหนึ่งครั้งอะเรียกว่าพระโสดาบันท่านผู้นี้นั้นมีนามอย่างนี้มีโคตอย่างนี้ผู้ที่เข้าถึงกระแสะเรียกว่าพระโสดาบันบุคคลผู้เข้าถึงอารยมรรคนั่นแหละพระองค์ตรัสว่าถูกละถูกละสารีบุตรผู้ซึ่งประกอบด้วยอารยมรรคมีองค์แปดนี้แหลเรียกว่าโสดาบันท่านผู้นี้นั้นมีนามอย่างนี้มีโคตอย่างนี้ นะอริยะโคตรแล้มีองค์มรรคอยู่7องค์คือสัมมาทิธฐิเวนวิตตกคือไม่มีสัมมาสังกัปปะแล้วก็มีสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิมีอยู่เจงคองนั่นแหละเวนวิตตกเจตสิกแต่ก็เป็นโซดาปฏิมรรคเหมือนกันแต่ถ้าทั่วไปธรรมดาแล้วมีองค์ค์8ประการ อข้อความในอรรถกถานิหนึ่งว่าคําว่าโสตาปฏิยังคังความว่าองค์คุณที่ได้เฉพาะส่วนเบื้องต้นแห่งธรรมะเครื่องบรรลุโสดาก็คุณที่ได้เฉพาะมีความเลื่อมสายอันไม่หวนไวในพระพุทธเจ้าชื่อว่าองค์แห่งโสดาบันก็องค์แม้เหล่านั้นมาแล้วว่าองค์แห่งธรรมะเครื่องบรรลุโสดาอันมีความเลื่อมสายในพระพุทธเจ้าเป็นต้นนี่ก็ไม่ธรรมดานะ ในองค์เหล่านั้นองค์แม้ทั้งสองก็มีอธิบายคำนี้ว่าบุคคลเสพสัตบุรุษคบนั่งใกล้ฟังธรรมใสใจโดยแยบคายปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นส่วนเบื้องต้นอันเป็นธรรมะสมควรแก่ทำย่อมได้เฉพาะธรรมะเครื่องบรรลุโสดาธรรมะที่เป็นส่วนเบื้องต้นเรียกว่าบุปภาบุปผานี่เป็นเบื้องต้นบุปผาส่วนเบื้องต้นเลยคืออะไรศีล โอ้เก่งมากเลยมีกี่อย่างศีลที่เป็นบุปภาคจะศีลสีส่อย่างหนึ่งปาติโมกสังวรศีลน ะ, นะปาติโมกทํำยังไงจะให้บริสุทธิ์ได้ก็ต้องด้วยการแสดงถ้ายังไม่มีก็สมาทานเอาซะอ่าต่อไปอินทรียสังวรศีลทํำยังไงตามองเห็นใจไม่เป็นบาปหูได้ยินเสียงใจไม่เป็นบาปก็ต้องสํารวมเอาถ้ามันละเมิดไปแล้วทํำยังไงนะ ถ้าอาธิษฐานว่าให้อธิษฐานว่าข้าพเจ้าจักสำรวมระวังต่อไปอให้อธิษฐานเอาส่วนปัจจัยอันที่สามปัจจัยสาณนิสิตสินการพิจารณาปัจจัยสีนี่เข้ามานี่ปัจจเเวกหรือเปล่าเนี่ยจะเป็นพระต้องปัจจเเวกนะไม่ลืมปัจจเเวกแล้วเช้ามานี่เป็นอินะบริโภคขโมยอินะแปลว่าติดนี่ ต้องปัจเจกนะมาเรามาใช้สถานที่เพียงเพื่อบำบัดความหนาวบำบัดความรอ้อนบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดสัตว์เลือคลานทั้งหลายเพื่อศึกษาพระธรรมต้องปัจเจกนะถ้าเป็นพระไม่ได้นะโยมนี่ไม่มีอบัดปรับนะต่อไปสุดท้ายก็คืออาชีวปาริสุทธิ์ศีลเลี้ยงชีพโดยชอบธรรมอันนี้ก็เป็นบุพบพาคส่วนหนึ่งอันศีลที่รักษาดีอย่างนี้เนี่ยถ้าหากว่าไม่มีความป่าถนารามก คำว่าอาศัยศีลเนี่ยเพื่อการค้าไม่เอาศีลมาเพื่อการค้าแบบที่โยมพวกนั้เอามาอ่านเลยศีลเพื่อการค้าก็คือปรารถนาเทศนี้กายโอ้อยาอาศัยศีลนี้เกิดชาติหน้าขอให้ร่ำรวยให้หมั่นให้มีอะไรเงี้ยแล้วกวาเรียกว่าเอาศีลมาทําการค้าหรือว่าปราถนาเป็นเทวดาแต่ต้องเอาศีลเนี่ยเพื่อรักษาศีลเพื่อสมาธิเจริญสมาธิเพื่อปัญญาเจริญปัญญาเพื่ออริยมรรคให้มองแต่ละอย่างเป็นเหมือนบันได เหมือนกับการนั่งรถเจ็ดเจ็ดต่อเจ็ดทอดนะการนั่งรถเจ็ดทอดรถเจ็ดลัดรถเจดต่ออันในเบื้องต้นก็หนึ่งเพื่อสองสองเพื่อสามสามเพื่อสี่นะไปเรื่อยๆเพรา ะ, ะนั้นธรร ม, มะมีการครบสัตว์บุรุษเป็นต้นชื่อว่าองค์แห่งธรรมะเครื่องบัลลุโสดาเพราะอัจว่าเป็นองค์เพื่อประโยชน์แห่งธรรมะเครื่องบรลลุโสดาธรรมะนอกนี้ชื่อว่าโสตาปฏิยังคองค์แห่งธรรมเครื่องบัลลุโสดาเพราะอัจว่า เป็นองค์แห่งธรรมะเครื่องบรรลุโสดากล่าวคือปฐมมัมคปฐมมัมัคก็คือมัมที่หนึ่งก็คือโสดาบันโสดาปฏิมัคเป็นองค์แห่งโสดาปฏิมัคที่แทงตลอดแล้วเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าองค์แห่งธรรมะเครื่องบรรลุโสดาบันบรรลุง่ายหรือยากเอาง่ายงี้ครับคำถามง่ายมากเลยตอบไม่ง่ายเลยก็ถ้าถ้ามีบุญก็ไม่ยาก แต่ถ้าไม่มีบุญก็ทําบุญให้มากๆก็ง่ายเอยงนะนั่นแหละถ้ากําหนดปริญญาเนี่ยกําหนดปริญญาสามเนี่ยกําหนดไม่ได้เนี่ยเป็นพระโสดาบันได้ไหมก็เป็นอุปนิสัยเพื่อโสดาบันได้แต่ว่าวันนี้ก็ยังไม่ได้นั่นแหละแต่ถ้ามองว่าการเจริญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทานศีลก็มีเป้าหมายเพื่อบรรลุธรรมวันนี้ยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่มองลักษณะอุปนิสัยต่อไป แลปัญหาทุดท้ายถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยเราจะรู้ตัวไหมว่าเราเป็นพระโสดาบันปัจเจกขณะยานนี่ต้องรู้เพราะว่าปัจเจกขณะยานเกิดขึ้นมาเนี่ยรู้ว่าปัจเจคขณะยานเนี่ยของพระโสดาบันมีอยู่5อย่าง1พิจารณาอาริยมรรคที่ได้บรรลุสองพิจารณาริยผลที่ได้บรรลุ3าพิจารณานิพพานความสิ้นกิเลสแล้วก็พิจารณากิเลสที่ละได้แล้วแล้วก็พิจารณากิเลสที่ยังเหลือ เพราะฉะนั้นพระโสดาบันทุกท่านต้องมีปัจเวกขณะญาณแต่อาจบางท่านอาจจะไม่ครบทั้งห้าถ้าไม่ได้ศึกษาละเอียดก็จะไม่รู้ว่ากิเลสที่ยังเหลือเป็นอะไรบ้างนะแต่ว่าทุกคนจะต้องรู้ว่าตัวเองนี้เป็นพระอริยะและก็ผู้ที่เป็นพระโสดาบันนั้นละกิเลสแน่นอนเลยละกิเลสแน่นอนคือศีลศีลหเนี่ยพระโสดาบันโกหกเป็นไหมครับ โกงได้ไหมพระโสดาบันนี้โกหกไม่เป็นดื่มเหล้าได้ไหมไม่เขาบอกว่าเหล้านี่ถ้าเข้าคำคอนะถ้าไม่รู้จริงๆเนี่ยจะแปลเป็นน้ําทันทีเลยแล้วก็กลืนลงไปสีท่าต้องบริสุทธิ์ศีท่านี่บริบูรณ์ไม่มีมทางเลยใช่ไหมครับไม่มีทางเลยในอย่างหนึ่งพระโสดาบันต้องละสา ก, กายยะทิถีได้เด็ดขาดศีลพรพตาปรามาได้เด็ดขาดแล้วก็วิจิกิจฉาได้เด็ดขาดแล้วพระโสดาบันนั้นละทิถิขตตาสัมปยุตตจิตสีดวง ละโลภะวิประยุทธ์ที่ไปอบายละโทสะที่ไปสู่อบายละวิจิกิจฉาได้เด็ดขาดและพระโสดาบันนั้นท่านมีศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าบุคคลใดปฏิบัติธรรมแล้วยังไม่รู้เรื่องคุณของพระพุทธเจ้าเลยอย่างเนี้ยหรือว่าพระธรรมก็ไม่เข้าทึกซึ่งนั้นเนี่ยถามว่าเป็นพระโสดาบันได้ไหม อก็วันนี้อาจจะยังไม่ได้นะแต่ว่าวันต่อๆไปก็ถ้ามีศรัทธาแล้วก็ได้แต่ที่นี้ว่าจะ ต, ต้องคิดอีกในหนึ่งนะถ้ายิงยุคนี้ด้วยแล้วเนี่ยรู้สึกว่าพระโสดาบันในพระไตยปิดกกับนอกพระไตรปิดกเนี่ยจะคนลังงานเหมือนกนอันนะมาด้วยกนันนะเออคุณก็มาผมก็มาออมากันหมดบ้านเลยแล้วก็อนุมโมทนาด้วยนะอันขอให้เรามีได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมคําำคำสอนได้ฟังนี้ได้บุญนี้ก็เอาละ ขอให้บุญเหล่านี้จงเป็นปกตูปะนิสยะปจจัยให้บรรลุอริยมรรคในคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกท่านเทิน